จเจริญพรทุกๆ ท, ท่านนี่เป็นครั้งที่สี่ที่หลวงพ่อเทศในห้องนี้ปีกลายสองครั้งปีนี้สองครั้งก็ตั้งใจว่าน่าจะพอจนะอไปคงไปที่อื่นที่อื่นหมายถึงประเทศอื่นนะพวกเราเรียนกันมาพอสมควรความจริงแล้วการฟังธทม แต่ละครั้งนะมันเป็นเวลาที่มีคุณค่าในชีวิตเราแต่ละวันแต่ละวันแต่ละคราวที่ได้ฟังธรรมอย่างหลวงพ่อฟังธรรมจากครูบาอาจารย์แต่ละครั้งเนี่ยมันดูดดื่มใจฟังครั้งหนึ่งนะเอาไปภาวนาทั้งนานเนี่ยบางเรื่องเนี่ยกว่าจะเข้าใจสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนนะใช้เวลาทั้งยี่สกว่าปีมีบางเรื่องนะ อย่างเรื่องที่หลวงปูดุลท่านสั่งครั้งสุดท้ายที่เจอท่านท่านสั่งว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงฟังมาตั้งแต่ปี26 2526นใช้เวลานานกว่าจะเข้าใจขึ้นมาการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆล่การปฏิบัติธรรมเนี่ย เราต้องรู้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรนะรู้เป้าหมายที่ชัดเจน้วทาไปตามยาถากรรมไม่รู้ทิศทางจะทไปเรื่อยๆวันหนึ่งคงจะดีนี่เป็นเรื่องไม่ฉลาดเลยไม่ว่าเราจะทำอะไรนะเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดการปฏิบัติธรรมจริงๆเนี่ยมันเพื่อยกระดับใจของเรานะให้พ้นจากความทุกข์ให้ได้ ทุกคนตั้งแต่เกิดมาเนี่ยสแสวงหาความสุขตลอดเวลาแต่ความสุขนั้นมันไม่เคยเต็มมันไม่เคยอิ่มมันพล่องอยู่ตลอดเวลาเราก็ต้องดิ้นรนสแสวงหาความสุขอยู่ตลอดเวลาเราคิดว่าทำอย่างนี้จะมีความสุขทำอย่างนี้จะมีความสุขแต่พอทำเข้าจริงความสุขอยู่แป๊บเดียวก็หายไ ป, ไปเราก็หิวความสุขอีกแล้วเราก็ต้องดิ้นต่อไปอีกในชีวิตในโลกก็ดิ้นไปเรื่อยๆนะ หาความสุขแล้วก็หาไม่ได้เหมือนอนจะได้แล้วก็หลุดมือหายไปเสมอนะนะถ้าเรารู้ว่าเราต้องการความสุขเรามาเรียนธรรมะนี่แหละถ้าเราสัมผัสธรรมะที่แท้จริงแล้วเราจะพบว่าไม่มีสุขอื่นเสมอจากธรรมะนี้เลยลพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าสุขอื่นเสมอด้วยความสงบไม่มีนะนัติสันติ ฝรังสุขขังสุขอื่นเสมอด้วยความสงบไม่มีคาว่าสนะันติเนี่ยคือชื่อของพระนิพพานงั้นบางทีท่านบอกว่านิพพานังปรามังสุขขังนิพพานเป็นบรมสุขเราไม่รู้จักนิพพานนะเราก็พยายามปฏิบัติกันที่จริงแล้วพระนิพพานไม่ได้อยู่ไกลอยู่ต่อหน้าต่อตาเรานี่แหละ แต่จิตของเราไม่มีคุณภาพพอที่จะเห็นนิพพานไม่ใช่ของที่เกิดขึ้นใหม่ๆนิพพานไม่ใช่ของที่ว่าวันหนึ่งจะแตกสลายไปนิพพานเป็นสภาวะที่เที่ยงคงที่ไม่ไม่มีมากกว่านี้ไม่มีน้อยกว่านี้นิพพานเป็นสภาวะที่มีความสุขที่สุดนะเขาเป็นสภาวะที่สงบสันติแล้วก็พ้นจากการเสียดแทงทั้งปวง ไม่มีอะไรเข้าไปปนเปื้อนถึงพระนิพพานได้นิพพานไม่มีเจ้าของนิพพานเป็นของกลางของโลกไม่มีเจ้าของถ้าใครปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็มีสิทธิ์เข้าไปสัมผัสพระนิพพานแต่ว่าไม่สามารถครอบครองพระนิพพานไว้ได้เพราะมันไม่มีผู้ที่จะครอบครองนิพพานไม่ใช่เรื่องอุดมคติ ไม่ใช่สภาวะยูโทเปียอุดมคติที่นักปราชสร้างขึ้นมาเพื่อหลอกให้เราทำดีแต่นิพานเป็นสภาวะที่มีจริงๆอยู่ต่อหน้าต่อตาเรานี้ไม่เคยหายไปไหนเลยแต่จิตของพวกเราไม่มีคุณภาพพอที่จะรู้ที่จะเห็นถ้าเมื่อไหร่เราภาวนาจนจิตของเรามีคุณภาพมากพอนะเราจะพบว่านิพานอยู่ต่อหน้าเราเนี้ เราเที่ยวแสวงหาธรรมะแทบเป็นแทบตายนะเราคิดว่าธรรมะอยู่ที่โน่นที่นี่ธรรมะอยู่ที่ครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นี้ธรรมะอยู่ที่วัดนั้นวัดนี้นี่เป็นความเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงของเราเองถ้าเมื่อไรใจเรามีคุณภาพพออยู่ที่ไหนนิพพานก็อยู่ที่นั้นไม่เคยหายไปเลยนิพพานเป็นสภาวะที่ปราศจากตัณหา ถ้าเมื่อไรใจของเรามีตัณหามีความอยากขึ้นมาเราจะไม่เห็นนิพพานนิพพานเป็นวิราคะปราศจากราคะปราศจากตัณหาปราศจากความอยากในใจของเรามีความอยากอยู่ตลอดเวลาอยากดูรูปอยากฟังเสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสที่ดีอยากคิดนึกปรุงแต่งทางใจที่พอใจสนุกสนานเพลิดเพลิน ใจที่มีความอยากเนี่ยเป็นใจที่มีความหิวนะมันหิวอะไรมันหิวรูปมันหิวเสียงมันหิวกลิ่นมันหิวรสมันหิวสิ่งที่มาสัมผัสร่างกายมันหิวอารมณ์ทางใจเรียกว่าธรรมอารมณ์เรื่องราวต่างๆทางใจมันหิวอยู่ตลอดเวลาเวลาที่เราหิวมีความสุขไหมมีความสงบไหมเวลาหิวไม่เป็นใช่ไหมอย่างร่างกายเราหิวไม่มีความสุขไม่มีความสงบ ร่างกายนะหิววันหนึ่งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งแต่จิตของเราเนี่ยหิวตลอดเวลาเลยหิวไม่เลิกเลยได้อย่างนี้มาสมอยากปุ๊บจะอยากอย่างอื่นต่อทันทีเลยได้มาอย่างหนึ่งก็อยากอีกอย่างหนึ่งต่อไปแล้วความอยากเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดความต้องการเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดใจของเราหิวไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อใจหิวอยู่ใจไม่มีความสุขไม่มีความสงบ ม, มีแต่ความดิ้นรนนะงั้นท้าเมาไรใจของเรามีความหิวมีความอยากเกิดขึ้นนะเราไม่เห็นพระนิพพานซึ่งเป็นสันตินะิพพานเป็นสันติเป็นความสงบสงบสุขนั่นแหละแต่ว่ามันจะทุรนทุรายขึ้นมาแทนนิพพานเป็นสภาวะที่พ้นจากความปรุงแต่งเรียกว่ามีสังขารไม่มีความปรุงแต่ง แต่จิตของเราปรุงแต่งตลอดเวลาเดี๋ยวก็แต่งเรื่องที่ดีเดี๋ยวก็แต่งเรื่องที่ชั่วลงมือปฏิบัติก็ไปแต่งความว่างความไม่มีอะไรขึ้นมาความปรุงแต่งนะั้นมีสามลักษณะหนึ่งปรุงชั่วสองปรุงดนะีสามปรุงการไม่รับรู้อะไรไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นอะไรก็เป็นเรื่องปรุงแต่งอย่างหนึ่งอย่างการปรุงแต่งจิตให้ว่างๆก็เป็นความปรุงแต่ง นิพพานเป็นสภาวะที่สิ้นความปรุงแตง่งเมื่อะไรจิตเรามีความปรุงแตง่งเราไม่เห็นนิพพานจิตเราปรุงแต่งทั้งวันจิตเราปรุงแต่งทั้งคืนนึกออกไหมจิตไม่เคยหยุดปรุงแต่งเลยจะดิน้นเล่าๆๆ่าเเล่ไปด้วยเดี๋ยวก็ปรุงดีเดี๋ยวก็ปรุงชั่วลองมีสติรู้ลองที่จิตสิจะเห็นเลยว่ามันปรุงตลอดเวลาเดี๋ยวก็ปรุงดีเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลง เดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็หดหูนะเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ความปรุงแต่งมันหมุนติ้วติวติอยู่ในใจเราตลอดเวลานะเมื่อไรมีความอยากเมื่อนั้นก็จะปรุงแต่งหิวตลอดเวลาก็ดิ้นตลอดเวลาความปรุงแต่งก็คือความดิ้นรนของจิตนั่นเองดิ้นไปอย่างนี้น่าคิดว่าจะดีดิ้นไปอย่างนี้คิดว่าจะดีบางคนก็ดิ้นไปทำชั่วคิดว่าจะดีคิดว่าจะมีความสุข คนทำชั่วนะอยากได้ความทุกข์ไหมเพื่อความชั่วเขาทำชั่วก็ไม่ได้อยากได้ความทุกข์นะเขาทำชั่วเขาหวังว่าเขาจะมีความสุขเนีย่ยไปขโมยเขาไปปล้นเขาเขหวังว่ามีความสุขนะทำผิดศีลผิดธรรมทั้งหล<ๆ>ายหวังว่ามีความสุขทั้งหมดเลยใจมันหิวนะใจมันก็ดิน้นใจมันดิน้นใจมันก็ไม่มีความสุขไม่มีความสงบที่แท้จริงนิพพานเป็นสภาวะที่เรียกว่าบิดมุนะหลุดพ้อนออกไป จากอาสวะกิเลส ท, ที่ห่อหุ้มจิตและจิตของเราเนี่ยถูกอาสวะกิเลสห่อหุม้มตัวนี้ถ้าพวกเราภาวนาไปถึงจุดหนึ่งะกระทั่งยังไม่ได้มรรคผลอะไรหรอกบางคนภาวนาไปแล้วค่อยๆสังเกตไปจะรู้ว่าจิตของเราเนี่ยไม่มีอิสระภาพจิตของเราถูกขังอยู่ในที่แคบๆนะมีเปลือกห่อหุ้มอยูนะ่ไม่มีอิสระอย่างแท้จริงเลยถูกพันธนาการไว้ตลอดเวลา ด้วยสิ่งที่เรียกว่าอาสะวะกิเลสเองคล้ายๆมีเปลือกหุ้มอยู่นะจิตไม่เคลื่อนไหวไปมาเนี่ยลำบากมากเลยไม่มีอิสระเหมือนคนติดคุกเลยถ้าภาวนาจะถึงจุดหนึ่งนะอริยามรรคเนี่ยทำลายกิเลสชั้นละเอียดลงไปทำลายสังโยชน์ทำลายอาสะวะลงไปอาสะวะกิเลสดับจิตจะเป็นอิสระอย่างแท้จริง สิ่งที่ห่อหุ้้มจิตอยู่จะแตกทําลายออกจิตจะกระจายขยายตัวออกเต็มโลกธาตนะุเต็มจักรวาลจิตจะไม่มีการเคลื่อนไหวไ ป, ไปมาอีกต่อไปนะเพราะว่ามันเต็มมันเต็มในจิตของพวกเราเนี่ยแคบแคบเล็กๆพวกจิตของรุกขเทวดานะเล็กเหมือนดาวอย่างนี้จิตของเรายิ่งกว่านั้นอีก จิตของคนทรงฌานก็ใหญ่เหมือนพระอาทิตย์พระจันทร์รัศมีแผ่กว้างนี่จิตของเราจุกกระจิกเหมือนเม็ดรกรวดเม็ดทรายือนคนก็โศโครกคนก็สว่างแจ่มใสรวมความแล้วมันมีมีจุดมีดวงมีที่ตั้งมีขนาดมันถูกอาสวะกิเลสผูกมัดเอาไว้เคยเห็นลูกโปกไหม ลูกโป่งที่เขาอัดแก๊สแล้วลอยได้จิตของเราคล้ายๆอย่างนั้นถูกขังอยู่นวันใดที่ลูกโป่งแตกแก๊สนั้นกระจายออกเต็มโลกไปเลยแผ่ออกไปจิตนี้ก็เหมือนกันนะวันใดที่อาสวะกิเลสถูกทํำลายจะขยายตัวเป็นโลกเลยเป็นอิสระอย่างแท้จริงนกว้างขวางเบิกบานมีความสุขมีความเต็มมีความอิ่มไม่มีความอยากไม่มีความปรุงแต่งใดๆเหลืออยู่นะ สภาวะเหล่านี้มีอยู่จริงๆริวิธีการที่จะเข้าถึงสภาวะอันนี้ก็มีจริงๆรงิอยู่ที่ว่าเราจริงพอไหมสําหรับตัวเราเองถ้าเรามีความจริงพอนะมีกล้าหาญพอเข้มแข็งพอที่จะลงมือประพฤติปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมวันหนึ่งเราก็จะเข้าไปสัมผัสพระนิพพานนี้เต็มอิ่มเต็มฟูมอยู่วันใดที่ใจเราสิ้นอยาก เราจะสัมผัสพระนิพพานวันใดที่ใจเราสิ้นความปรุงแต่งเราจะสัมผัสพระนิพพานวันใดที่ใจไม่ยึดถือในรูปธรรมนามธรรมและสิ่งทั้งหลายทั้งปวงใจจะสัมผัสพระนิพพานงั้นเราต้องมายกระดับใจของเราทํำยังไงใจจะสิ้นอยากทําไงใจจะสิ้นความปรุงแต่งทําไงจิตใจนี่จะไม่เข้าไปยึดถือสิ่งทั้งหลายทั้งปวง ตรงที่ใจสิ้นอยากเรียกว่ามันสิ้นตัณหาตัณหาเป็นเหตุให้เกิดภพเคยอ่านปฏิจจสมุปบาทบ้างไหมภพนี่แหละเป็นความปรุงแต่งของจิตนะสิ้นอยากเมื่อไหร่ก็สิ้นภพเมื่อนั้นสิ้นการปรุงแต่งเมื่อนั้นสิ้นภพเมื่อไหร่ก็สิ้นชาติเมื่อนั้นคือการที่ไปหยิบฉวยไปยึดถือรูปธปรรมนามธรรม ท, ท, ท, ทั้งหลายเพราะฉะนั้นการที่ว่าเราเข้าถึงพระนิพพานนะหมดความอยากหมดความดิ้นรนปรุงแต่งหมดความยึดถือในรูปนามกายใจเนี่ย มันต่อเป็นสายเดียวกันเมื่อไหร่สิ้นอยากเมื่อนั้นก็สิ้นปรุงแต่งเมื่อไร่สิ้นปรุงแต่งก็สิ้นการที่จะไปหยิบฉวยเอากายนี้ใจนี้มาเป็นตัวเราของเราแล้วก็จะไม่หยิบฉวยสิ่งใดในโลกอีกเพราะนั้นประเด็นสําคัญก็คือทําอย่างไรใจของเราจะสิ้นความปรุงแต่งจะสิ้นความอยากถ้าสิ้นความอยากเมื่อไหรสิ้นความปรุงแต่งเมื่อนั้น สิ้นความปรุงแต่งเมื่อไหรนะก็สิ้นการที่จะไปหยิบฉวยยึดถือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเมื่นันะ้นการที่จะฝึกจิตฝึกใจจนสิ้นความอยากได้นะเป็นเรื่องใหญนะ่คนทั้งหลายเขาก็หาทางแก้ไขความอยากกันแต่ไหนแต่ไรมากระทั่งสัตว์เดรัจฉานเวลามันมีความอยากขึ้นมามันก็หาทางแก้ไขความอยาก คนธรรมดาเวลามีความอยากก็หาทางแก้ไขความอยากเพราะเวลาความอยากเกิดขึ้นแล้ความทุกข์มันจะเกิดนะเวลาอยากอะไรขึ้นมานะใจจะไม่สบายนลใจจะทุกข์ขึ้นมาคนทั้งหลายหรือสัตว์ทั้งหลายเนี่ยสนองความอยากใช้วิธีสนองความอยากอยากดูหนังก็ไปดูหนังแล้วสบายใจได้สนองไปก็ไม่ทุกข์ถ้าสนองไม่ได้ก็ทุกขนะ์มีความอยากแล้วได้อย่างที่อยากก็มีความสุข มีความอยากแล้วไม่ได้อย่างที่อยากก็มีความทุกข์ดังนั้นคนทั้งหลายเนี่ยดิ้นรนสนองความอยากนะคิดว่าวิธีนี้แหละจะทําให้มีความสุขเยบางคนนะอยากรวยมากๆเลยคิดว่าถ้ารวยมีเงินมากๆซื้อทุกสิ่งทุกอย่างได้นะสนองความอยากได้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจะมีความสุขในความเป็นจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นคนที่รวยมากๆนะเขาก็มีความอยากอันอื่นที่เงินซื้อไม่ได้นะ อ ย, อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่พลัดพรากจากสิ่งที่รักอยากเจอแต่สิ่งที่รักอะไรเงี้ยมันเลือกไม่ได้นะอย่างมหาเศรษฐีมีเงินเยอะแยะเลยนะอยากได้อะไรอยากได้หมดเลยจนะอยากให้เมียมันหายไปนะมันไม่หายสักทีนะมันจำเป็ น, นจำใจอยูนะ่ไม่มีความสุขมันจะมียังไงมันก็ต้องหลงเหลืออยู่นะั้นเที่ยวดิ้นรนสแสวงหา สิ่งต่างๆมาบำรุงบำเรอตัวเองนะัเพื่อจะแก้ความอยากเนี่ยไม่สามารถแก้ได้จริงหรอกเพราะความอยากนี่นะจะอัพตัวเองตลอดเวลาพัฒนาอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าถึงสอนบอกว่านาัตถิตันหาสานาัตถีแม่น้ําหรือทะเลเที่ใหญ่เท่ากับตันหานี่ไม่มีเลยเนทะ่าไหร่เท่าไหร่ก็ ไ, ไ, ไม่รู้จักพอเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักเต็มเพราะความอยากนี่จะยกเพิ่มระดับตัวเองขึ้นตลอดเวลา อย่างไม่เคยมีแฟนอยากมีแฟนมีแฟนแล้วอยากมีเมียมีเมียคนหนึ่งแล้วอยากมีสองคนีนะมันจะอัพอัพอัพขึ้นไปด้วยพอมีเมียแล้วอยากมีลูกมีลูกแล้วมันโง่ไปอยากให้มันฉลาดนมันคมีความอยากขึ้นไปซึ่งเงินซื้อได้เหรอลูกที่ฉลาดเมียที่ไม่แก่มีไหมสามีที่ไม่แก่มีไหมเงินซื้อไม่ได้ใช่ซื้อไม่ได้ งั้นการที่เราจะเที่ยวดิ้นรนสนองความอยากไปเรื่อยๆไม่สามารถแก้ความทุกข์ในใจของเราได้เพราะความอยากจะเกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลาพวกนักปราชญ์บางคนนะเขาเห็นว่าการสนองความอยากเนี่ยไม่ใช่ทางแก้ปัญหาที่จะทำให้เราพ้นจากความอยากเขาก็ใช้วิธีกดข่มบังคับตัวเองบังคับกายบังคับใจนะเช่นอยากกินไม่กินอยากนอนไม่นอนนะ อยากสุขอยากสบายก็นั่งมันบทตะปูซะเลยนอนบนตะปูซะเลยนะทรมานมันแกล้งมันทุกสิ่งทุกอย่างความจริงก็สนองความอยากนั่นแหละแต่สนองในทางเดกกทีฟสนองในทางปฏิเสธมันอยากอย่างนี้กูทําอย่างนี้อยากอย่างนี้กูทําอย่างนี้ไปเรื่อยแล้วก็สนองนั่นแหละแต่สนองในทางปฏิเสธอีกนะวังว่าวันหนึ่งเนี้ยใจจะพ้นจากความอยากอันนี้พวกนักบวชก่อนพระพุทธเจ้านะเขาทํากัน บางพวกก็ใช้วิธีทำสมาธิให้นิ่งไปเลยนะจะได้หมดความอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสทั้งหลายเพราะจิตมันสงบอยู่ในสมาธิเนะี่ยความจริงหลงเข้าไปอยู่ข้างในความสุขของสมาธินะก็อยากอีกอยากให้มันอยู่ตลอดอีกนะีน่ไม่พ้นความอยากที่ประนีตนะบางพวกก็ไปทรมานกายอย่างที่เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะออกไปบวชจได้ไหมไปฝึกเข้าฌานใช่ไหม คือเข้าฌานก็คือเพื่อจะข่มความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางร่างกายนั่นแหละเพราะเวลาที่จิตทรงฌานนะจะไม่ติดในรูปในเสียงในกลิน่นในรสในสัมผัสทางกายมันจะไปเพลินอยู่ทางใจเสร็จแล้วเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะท่านมีปัญญาแก่กล้าท่านเห็นว่าถึงจิตมาสงบสุขอยู่ภายในนี่ก็ไม่ได้พ้นจากความอยากจริงนะเดี๋ยวมันก็ยังอยากอีกอยากให้อยู่นิรันดร์อย่างนี้แล้วมันก็ไม่ได้อยู่นิรันดร์ ถึงจะทรงฌานวันหนึ่งฌานก็เสื่อมนะฌานเสื่อมกลับมาวุ่นวายอยู่กับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับสัมผัสอีกชช้าชายธสถถะก็เลยทิ้งกันหัดเข้าฌานไปเรื่อยๆก็รู้แล้วว่าไม่ได้แก้ปัญหาจริงท่านก็มาใช้วิธีทรมานร่างกายอยากกินไม่กินอยากนอนไม่นอนหวังว่าจะดัดนิสัยมันจนจิตเนี่ยนะไม่ทาตามความอยากสุดท้ายก็พบว่ามันไม่ได้ผลอะไรนะ ว่าการที่ไปบังคับกดข่มตัวเองนะมันก็คืออยากอยากดีใช่ไหมอยากหลุดพ้นถ้าไม่ได้อยากหลุดพ้นจะไปทรมานตัวเองทําไมถ้าไม่อยากดีไปทรมานตัวเองทําไมสุดท้ายก็หนีหความอยากไม่พ้นะการที่ขม่มการที่ตอบสนองความอยากอย่างที่ชาวโลกทําก็ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาการที betrayed, ่ไปขม่มความอยากอย่างที่นักรทนักบวชทั้งหลายทําก็ไม่ได้แก้ปัญหา เจ้าชายสิทัตถะนะท่านก็เลยมาค้นพบทางสายกลางที่แสนดีแสนวิเศษคุทางที่ท่านค้นพบนี่เป็นเรื่องอัศจรรย์อย่างยิ่งท่านพบว่าการรู้ทุกนี่แหละเป็นวิธีทาลายตัณหาอย่างสิ้นเชิงรู้ทุกนะทาลายตัณหาได้อย่างสิ้นเชิงท่านนิยามคาว่าทุกไว้ทุกก็คือตัวกายตัวใจตัวขันห้าของเรานี่เอง ถ้าเรารู้ความเป็นจริงของกายของใจของาธาตุของขันธ์นะที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเราจิตจะหมดความยึดถือในกายในใจนี้เมื่อกายนี้ใจนี้เราไม่ยึดถือเนี่ยความอยากจะไม่เกิดขึ้นอีกนั่นวิธีทำลายความอยากของพระพุทธเจ้าเนี่ยต่างกับคนในโลกคนในโลกทำลายความอยากด้วยการสนองความอยากบ้างด้วยการฝืนความอยากบ้างพระพุทธเจ้าทาลายความอยาก ด้วยการรู้กายรู้ใจรู้ทุกข์ลงไปจนหมดความยึดถือในกายในใจเมื่อไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจนะจะไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกอีกเมื่อไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกอีกเนี่ยนะไม่มีความอยากเกิดขึ้นความอยากนั้นถึงจะมีมากมายไก่กองนะแต่ย่อลงมาประมวลลงมานะโดยย่อมันก็แค่อยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์นะ ลองไปดูเถอะความอยากจะกี่หมื่นกี่แสนชนิดนะมันประมวลลงมาแล้วมันย่อลงมาอยู่ที่จุดเดียวเท่านั้นเองก็คืออยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์อย่างอยากไปดูหนังใช่ไหมเพื่ออะไรเพื่อจะได้สบายใจไหมอยากใช่หาอาหารมากินอะไรเนี้ยเพื่อจะได้สบายกายอยากหาของอร่อยมากินเพื่อจะได้สบายใจร่างกายต้องการอาหารนะแต่ใจต้องการความอร่อย นะต้องการขวนละอันกันอีกงนะั้นเวลากินอาหารนะถ้าอย่างพระกินนะพระอาอาหารมารวมกันนะท่านกินอะไรท่านกินอาหารฉันอาหารนะไม่ได้กินพิซซ่ากินแฮมกินอะไรต่ออะไรนะของเราเวลาจะกินต้องเลือกใช่ไหมเลือกเลือกเลือกถามว่าเราเลือกอาหารนะั่นอะเพื่อร่างกายจริงหรือเปล่าใช่ไหมส่วนใหญ่ก็เลือกกินเพราะชอบนะ อยากเพราะอยากใช่ไหมอยากอันนี้อยากอันนี้ไปดูเถอะความอยากทั้งหลายนะมันเนื่องด้วยกายด้วยใจทั้งสิ้นเลยถ้าเมื่อไร่ไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจนะเมื่อนั้นจิตจะพ้นจากความอยากเป็นวิธีทําลายตัณหาที่เมื่อทําลายลงครั้งเดียวแล้วนะไม่มีตัณหาจะให้ทํำลายอีกเนี่ยความอัศจรรย์อยู่ตรงนี้ในขณะที่คนในโลกนะทำลายตัณหาลงไปด้วยการตอบสนองกันตัณหาแป๊บเดียวตัณหาคือความอยากก็จะเกิดขึ้นอีก หรือข่มใจะจะไม่สนองตันหาสุดท้ายมันก็คือสนองตันหาอีกมีตันหาไม่รู้จักจบจักสิ้นแต่ถ้าเราได้รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์จิตหมดความยึดถือในกายในใจความอยากหรือตันหาจะไม่เกิดขึ้นอีกเลยเพราะนั้นการละตันหานเนี่ยจะละครั้งเดียวแล้วขาดสะบั้นไปอีกไม่มีตันหาจะให้ละอีกต่อไปล้นี่ธรรมะของพระพุทธเจ้านะมันสําเร็จเด็ดขาดลงไปตรงนี้เอง ไม่ใช่การแก้ปัญหาเป็นคราวๆแต่เป็นการขุดรากถอนโคนของปัญหาเลยนะั้นเป็นศาสตร์ที่พวกเราควรจะเรียนรู้นะถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบแล้วเนี่ยทำไมเราจะต้องปล่อยชีวิตของเราให้จมอยู่ในความทุกข์นิรันดรนะเรื่องอะไรเราจะต้องทุกตลอดไปนะเราไม่ต้องรอให้ใครมาช่วยเราให้พ้นทุกเราต้องช่วยตัวเองนะเดินไปตามทางที่พระพุทธเจ้าบอกพระพุทธเจ้าเองก็ช่วยเราไม่ได้ อย่างคนทั้งหลายชอบให้เทวดาช่วยให้พระเจ้าช่วยนะพระเจ้ากับเทวดาช่วยเราไม่ได้นะพระพุทธเจ้าท่านก็ช่วยไม่ได้ท่านบอกเลยว่าท่านเป็นแค่ผู้บอกทางท่านบอกวิธีการให้เรานะวิธีการก็คือให้เรามาเจริญวิปัสสนากรรมฐานรู้ความจริงของกายรู้ความจริงของใจจนกระทั่งมันหมดความยึดถือกายยึดถือใจเมื่อหมดความยึดถือกายยึดถือใจแล้วเนะี่ยความอยากจะไม่เกิดขึ้นอีกเลย นะไม่เกิดขึ้นอีกเลยนะไม่มีอะไรจะต้องละอีกต่อไปแล้วเพราะฉนั้นเวลาที่บรรลุพระอราหันต์เนี่ยจิตเนี่ยนะมันจะสัมผัสเลยว่าชาติคือความเกิดเนี่ยสิ้นแล้วคือการที่จะไปหยิบฉวยเอากายเอาใจขึ้นมาเนี่ยไม่มีอีกแล้วนะชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์คือการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยทําเสร็จแล้วกนะิจที่ควรทําทําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่มีอีกแล้วไม่ต้องทําอีกแล้วนะ เป็นที่เรียกว่าจบกิจเคยได้ยินไหมจบกิจจบกิจพูดง่ายนะแต่ว่าปฏิบัติกันปางตายแล้วแต่ว่าทําได้ไม่ใช่ทําไม่ไดนะ้แล้วปฏิบัติจนวันหนึ่งหมดธุระที่จะต้องปฏิบัตินะอยู่ในโลกเนี่ยไม่มีวันสิ้นสุดมีแต่ ง, งานที่ไม่มีวันสิ้นสุดแตธรรมะมีเวลาสิ้นสะุดงานทางโลกไม่มีสิ้นสุดเลยเช่นไปหาเงินมาแล้วก็ใช้เงินไปแล้วก็ไปหาเงินมาแล้วก็ใช้เงินไปนะ หิวข้าวก็ไปกินข้าวใช่ไหมกินไปสักพักนึงก็หิวอีกก็กินอีกไม่รู้จักจบจากสิ้นงานทางโลกนะแต่งานทางธรรมเนี่ยมีที่สิ้นสุดถ้าเราภาวนาจนเราเห็นแจ้งในธาตุในขันในกายในใจนี้อย่างถ่องแท้แล้วนะว่ามันเป็นตัวทุกข์มันไม่ใช่ของดีของวิเศษจิตหมดความยึดถือในกายในใจแล้วเนี่ยความอยากไม่มีอีกแล้วนะจิตจากนี้ไปจะมีอิสรภาพที่สมบูรณ์แบบนะ ไม่มีความอยากใดๆเกิดขึ้นไม่มีความปรุงแต่งใดๆเกิดขึ้นไม่มีความยึดถือใดๆเกิดขึ้นอีกเป็นอิสระอย่างแท้จริงแล้วมันก็มีความสุขอันมหาศาลอยู่นะจนตราบวันที่ธาตุขันนี้แตกดับตายไปนะจิตก็เป็นธรรมอยู่งนั้นเองนะแต่ธาตุขันนี้แตกสลายตายไปจิตจะไม่ครองขันอีกต่อไป วิธีการที่เราจะมาเรียนรู้นะจนรู้ความจริงของกายของใจนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่พวกเราต้องเรียนคนที่แหวนป้ายว่าเป็นชาวพุทธนะน้อยเหลือเกินนะหนึ่งในพันหนึ่งในหมื่นได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะที่รู้วิธีการนะที่จะมาเห็นความจริงของกายของใจกระทั่งสำนักปฏิบัตินักปฏิบัติอะไรต่ออะไรที่บอกว่าทาวิปัสสนานะเกือบทั้งหมดไม่ได้ทาวิปัสสนา เกือบทั้งหมดทำแค่สมถะแล้วคิดว่าทำวิปัสสนาอย่างบางที่ก็สอนดูลมหายใจดูท้องพองยุบขยับไม้ขยับมือเลยจิตไม่เคยลืมร่างกายเลยรู้สึกในร่างกายตลอดเวลาเลยเห็นท้องฟองเห็นท้องยุบเห็นมือหยุดนิ่งเห็นมือเคลื่อนไหวเห็นหายใจเข้าเห็นหายใจออกบอกว่าทำวิปัสสนาไม่ใช่วิปัสสนาะการที่รู้ในร่างกายรู้ในจิตใจเนี่ยยังเป็นสมถะอยู่ ต่อเมื่อใดเห็นว่าร่างกายตกอยู่ใต้ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถึงจะเป็นวิปัสสนาต่อเมื่อไรเห็นว่าจิตใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถึงจะเป็นวิปัสสนาจะขึ้นวิปัสสนาได้ต้องเห็นไตรลักษณ์คำว่าต้องเนี่ยนะขีดเส้นใต้หลายๆเส้นเลยนะกาดอกจันทร์หลายๆดอกเข้าไปเลยต้องเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจ ทำอย่างไรเราจะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจเนี่ยคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกเราคือทางที่เราจะต้องเดินไปด้วยตัวเองทางนี้ท่านเรียกว่าเอกายนามัตตทางสายเอกทางสายเดี่ยวคําว่าทางสายเอกคือทางของท่านผู้เป็นเอกก็คือทางของพระพุทธเจ้าทางสายเอกโดยอีกนัยยะหนึ่งหมายถึงทางที่ต้องไปด้วยตัวของตัวเองไปของเราด้วยตัวเองนี่แหละไม่มีขบวน พยุหาัยาตราแห่แหนตามเข้าไปได้เลยนะไปด้วยตัวคนเดียวเลยนะทางที่เดินด้วยตัวคนเดียวทางสายเอกหมายถึงว่าทางที่ไปครั้งเดียวแล้วไม่ต้องไปอีกนี่มันอัศจรรย์ถึงขนาดนีนะ้นี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเรานะวิธีที่จะเรียนรู้ความจริงของกายของใจนะความจริงของกายของใจคือไตรลักษณ์ก่จะก้าวไปถึงวิธี การเรียนรู้ความจริงของกายของใจนะหลวงพ่อจะอธิบายคําว่าไตรลักษณ์สักนิดหนึ่งบางคนอาจจะไม่คุ้นเลยไตรลักษณ์หมายถึง อ, อะไรไตรลักษณ์เนี่ยเขาเรียกว่าสามัญลักษณะหมายถึงลักษณะร่วมของสิ่งซึ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงสิ่งซึ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงนะจะมีลักษณะเฉพาะตัวอย่างความโกรธกับความโลภไม่เหมือนกันใช่ไหมอันนี้เรียกว่าลักษณะเฉพาะ ภาษาบาลีเรียกวิเศษลักษณะคือลักษณะพิเศษนะความสุขกับความทุกข์ไม่เหมือนกันใช่ไหมเนี่ยมีลักษณะเฉพาะความสุขมีลักษณะเฉพาะอย่างนี้ความทุกข์มีลักษณะเฉพาะอย่างนี้โลภมีลักษณะเฉพาะอย่างนี้โกรธหลงมีลักษณะเฉพาะอย่างนี้สภาวะธรรมทั้งรูปธรรมนามธรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างมีลักษณะเฉพาะของตัวเองนะอย่างธาตุดินก็มีลักษณะเฉพาะ ธาตุน้ำก็มีลักษณะเฉพาะธาตุลมธาตุไฟมีลักษณะเฉพาะนะธาตุไฟมีลักษณะร้อนเนี่ยนอกจากลักษณะเฉพาะแล้วนะแต่ละอย่างแต่ละอย่างมีลักษณะเฉพาะของตัวเองแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีลักษณะร่วมลักษณะร่วมนี่แหละเรียกว่าสามัญลักษณะหมายถึงทั่วๆไปเป็นสามัญหมายเป็นปกติธรรมดา ทุกสิ่งทุกอย่างมีลักษณะร่วมกันเช่นความสุขมีลักษณะร่วมกับความทุกข์ตรงไหนตรงที่มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตานตานะกุศลมีลักษณะร่วมนะกับความโลภความโกรธความหลงตรงไหนตรงที่ต่างก็ไม่เที่ยงเหมือนกันต่างก็เป็นทุกข์เป็นอนัตต์เหมือนกันนะไตรลักษณ์เนี่ยคือลักษณะร่วมของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะเรียกว่าสามัญอยลักษณะเราจะต้องเรียนจนกระทั่งเราเข้าใจลักษณะร่วมของทุกสิ่งทุกอย่าง ทีแรกเวลาเรียนเราเรียนทีละอย่างเช่นความโกรธเกิดขึ้นเรารู้แล้วเราเห็นว่าความโกรธดับไปความโลภเกิดขึ้นเรารู้แล้วเราเห็นว่าความโลภดับไปในที่สุดดูไปซ้ําแล้วซ้ําอีกเจดวันเจ็ดเดือนเจปีดูไปเรื่อยนะในที่สุดจิตมันจะปิ๊งขึ้นมาว่าทุกสิ่งนั่นแหละเกิดขึ้นมาแล้วดับไปจะเข้าใจภาพรวมเวลาเรียนเรียนทีละส่วนย่อยๆแต่เวลาเข้าใจจะเข้าใจองค์รวมของจักรวาลนะ จะเข้าใจองค์รวมของโลกของจักรวาลทั้งหมดเลยของชีวิตทั้งหมดเลยว่ามันมีลักษณะร่วมกันอยู่สามอย่างนะคำว่าไม่เที่ยงหมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะมันกำลังเสื่อมสลายไปนะสิ่งที่เคยมีมันจะไม่มีนี่เรียกว่ามันไม่เที่ยงอย่างคนทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี่นะวันหนึ่งข้างหน้ามันจะไม่มนะีเพราะว่าคนทั้งหลายเหล่านี้มันไม่เที่ยง ความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นที่เคยมีอยู่มันหายไปเรียกว่ามันไม่เที่ยงสิ่งทั้งหลายร้วนแต่ว่ามีแล้วจะหายไปทั้งสิ้นนี่เรียกว่าเป็นความจริงนะความจริงข้อแรกความจริงร่วมลักษณะร่วมข้อแรกเลยก็คือสิ่งทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปทั้งสิ้นนะลักษณะที่2ก็คือสิ่งซึ่งเกิดขึ้นมาในขณะนั้นยังไม่ทันจะดับนะกำลังถูกบีบคั้นให้ดับอยู่ตลอดเวลา มันถูกบีบคั้นเพื่อให้สลายตัวอยู่ตลอดเวลาร่างกายเราถูกบีบคั้นไหมหรือว่าเกิดขึ้นมาแต่เด็กแล้วก็คงที่อยู่ตลอดมันถูกบีบคั้นตลอดเวลานะด้วยความหิวด้วยความหนาวด้วยความร้อนเลยบีบคั้นเพื่ออะไรเพื่อให้วันหนึ่งเนี่ยจะต้องแตกสลายไปนะเพื่อให้เห็นอนิจจังขึ้นมาเพราะฉะนั้นคาว่าทุกขขังเนี่ยอนิจจังเนี่ยนะหมายถึงว่าสิ่งซึ่งเคยมีแล้วมันหายไปมันไม่มีมันจะต้องไม่มี อย่างคนในอเมริกาใช่ไหมมีมาตั้งเยอะแยะแล้วแล้วมันก็หายไปอินโดพีเซีย น, นเดียนอะไรต่ออะไรมันก็หายไปใช่ไหมหายไปอันนี้เรียกว่าอ น, นิจจังสิ่งซึ่งกําลังมีอยู่ก็ถูกบีบคั้นเพื่อให้หายเรียกว่าทุกขขังสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาหรือตั้งอยู่หรือหายไปไม่ใช่เพราะใครสั่งทั้งสิ้นไม่ใช่เพราะเทวดาบงการแต่เป็นไปเพราะเหตุสิ่งทั้งหลายมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับ บังคับไม่ได้สิ่งทั้งหลายเป็นไปนตามเหตุไม่ใช่ตามที่สั่งนี่เรียกว่าอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับอย่างเราสั่งให้ร่างกายว่าอย่าแก่เนี่ยห้ามไม่ได้เพราะร่างกายจะต้องแก่เราบังคับไม่ได้เราสั่งจิตใจของเราว่าจงดีอย่างเดียวห้ามทุกข์ห้ามชั่วทาไม่ได้นะไม่มีอะไรที่เราสั่งได้จริงงั้นในสภาวะธรรมทั้งหลายนะทั้งรูปธรรม ท, ทั้งนามธรรมเนี่ยตกอยู่ในลักษณะร่วม สประการนี้แหละคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นทุกข์กหมายถึงว่าถูกบีบคั้นนะแล้วก็เป็นอนัตตาเป็นไปนตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสั่งถ้าเมื่อไร่ใจเราเห็นความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนี้ใจจะไม่ยึดถืออะไรสักอย่างเลยนะแต่ถ้าเราเห็นแค่ว่าความทุกข์เกิดแล้วดับความสุขเกิดแล้วดับนะเห็นซ้ําแล้วซ้ํำอีกมันไม่ยึดถือแค่สุขทุกข์มันก็ไปยึดถืออย่างอื่นอีกแต่ถ้าเรียนรู้ จุดย่อยๆ่ยแต่ละจุดแต่ละจุดที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเราไปเรื่อยนะถึงจุดหนึ่งปัญญามันจะปิ๊งขึ้นมาเลยว่าทุกอย่างนั่นแหละเกิดแล้วดับทุกอย่างนั่นแหละถูกบีบคั้นให้ดับทุกอย่างนั่นแหละจะเกิดหรือจะดับเป็นไปนตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสั่งนะเนี่ยเราจะมาเรียนให้เห็นตรงนี้วิธีที่เราจะเห็นกายเป็นไตรลักษณ์วิธีที่จะเห็นใจเป็นไตรลักษณ์ทํำยังไงนะการดูกายดูใจเป็นไตรลักษณ์นั้นมันเป็นอยู่แล้ว ไม่ใช่เราไปสั่งให้มันเป็นไม่ใช่เราไปทำให้มันเป็นตัวมันเป็นไตรลักษ์อยู่แล้วกายนี้ตกอยู่ใต้ไตรลักษ์อยู่แล้วใจนี้ตกอยู่ใต้ไตรลักษ์อยู่แล้วแต่เราไม่เห็นเท่านั้นเองหน้าที่ของเราที่มาประพฤติปฏิบัติทำเพื่อให้เห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้เป็นไตรลักษ์เพื่อให้เห็นความจริงเท่านั้นนะไม่ใช่เพื่อทาให้มันเป็นไตรลักษ์เพราะว่ามันเป็นอยู่แล้วโดยตัวของมันเอง วิธีที่เราจะเห็นกายเห็นใจแสดงใจรักได้นะเราต้องดูแบบเป็นคนวงนอกถ้าเราดูแบบเข้าไปอินกับมันทุกเรื่องนะมันจะเป็นตัวเราขึ้นมาเราต้องค่อยค่อยดูแบบเราเป็นคนวงนอกนะใจของเราต้องอยู่ต่างหากนะเห็นร่างกายมันทำงานใจอยู่ต่างหากเป็นแค่คนดูเห็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นใจอยู่ต่างหากเป็นแค่คนดูเห็นกิเลสเกิดขึ้นกุศลเกิดขึ้นใจอยู่ต่างหากเป็นแค่คนดู นะเห็นจิตเกิดดับทางทวารทั้งหใจเป็นแค่คนดูไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นมีแค่ใจเป็นคนดูเท่านั้นเองคําว่าเป็นผู้รู้ผู้เห็นนะคำว่าวิปัสสนานะปัสชนะแปลว่าการเห็นนะไม่ใช่เข้าไปทําอะไรทั้งสิน้นไม่มีคําว่ากําหนดโดยซ้าไปหลายคนชอบกําหนดแล้วบอกวนะ่าทำวิปัสสนาต้องกําหนด น, นี่เข้าใจผิดอย่างร้ายแรงเลยวิปัสชนะแปลว่าเห็นแจ้งเห็นจริงเห็นถูกต้องปัสชนะคือการเห็นนะไม่ได้ไป คิดนะถ้าคิดเป็นวิตกไม่ได้กําหนดนะกหนดก็ไม่ใช่นะมันเป็นการกดการข่มไว้นะเป็นการกดการขม่มงั้นเราต้องรู้อย่างที่มันเป็นนะรู้ด้วยใจที่เป็นแค่คนดูรู้ด้วยใจที่ไม่มีอคติไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายไม่มีไบแอชทั้งหลายเราจะต้องมาฝึกจนใจของเราเป็นคนดูให้ได้วิธีที่จะทำใจให้เป็นคนดูทำยังไง ใจของเราปกติไม่ยอมเป็นคนดูหรอกแต่ชอบเป็นผู้แสดงนะชอบเป็นนักแสดงใช่มใจเรานี่เล่นละครทั้งวันเลยตอนหลดตอนแหลกก็มีใช่ไหม ม, ไหมีใครเคยเห็นใจตอนแหลบ้างมเจ้ามารยาเจ้าผู้ชายก็เป็นนะผู้ชายก็ยกเนี่ยดีมากที่เห็นเป็นทุกคนแหละเนะื่อใจของเรานะชอบเป็นนักแสดงนะชอบแสดงตลอดเวลาไม่ใช่คนดู เราจะเปลี่ยนสถานะของใจจากผู้แสดงนะมาเป็นคนดูปกติใจเราชอบแสดงละคร น, นะแสดงบทรักแสดงบทโกรธแสดงบทสุขแสดงบททุกขมันแสดงของมันทั้งวันปรุงไปเรื่อยเนี่ยปรุงดีปรุงชั่วปรุงสุขปรุงทุกสารพัดจะปรุงร่างกายก็แสดงนะเวลาเราอยู่คนเดียวเราเคลื่อนไหวอะไรนี้เป็นแบบหนึ่งเเวลาเราเจอแฟนเรา กิริยาท่าทางเราก็เป็นอีกแบบหนึ่งเห็นไหมเราเจอคนที่เรารู้จักคุ้นเคยเราก็แสดงอีกแบบหนึ่งเจอคนที่เราเกลียดเราก็แสดงอีกแบบหนึ่งเล่นละครอยู่นะทั้งกายทั้งใจนี่ตีหน้าเก่งมากเลยนะเล่นละครอยู่หลวงพ่อชอบสอนที่เมืองไทยนะว่าพวกหมูกระดาษพวกเปเปอร์มาเชนะ่ใส่สวมหน้ากากเข้าไปสวมนะตอนนี้สวมบทคนดียิ้มใครเ้าด่าก็ยิ้ม พรฉันเข้าวัดฉันต้องเป็นคนดีนะออกจากวัดร้ายโคตรๆเลยก็มีนะเ <c oughs> นี่ยแสดงละครเวลาพูดกับลูกก็พูดแบบหนึ่งใช่ไหมวางมานอีกแบบหนึ่งใช่ไหมพูดกับเจ้านี่ก็ทําท่าอีกแบบหนึ่งพูดกับลูกนี่ก็แสดงอีกแบบหนึ่งเนี่ยมันแสดงละครนะร่างกายก็แสดงละครนะจิตใจก็แสดงละครนะปรุงแต่งตลอดเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุก เราทำตัวเปลี่ยนจากผู้แสดงนะมาเป็นแค่คนดูละครดูกายมันเล่นละครดูใจมันเล่นละครนะหัดดูอย่างนี้เรื่อยๆไปนะเราจะทำใจอย่างนี้ได้เนี่ยเราต้องฝึกมิธีฝึกนะก็คือฝึกให้จิตมันเป็นคนดูไม่ใช่เป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งแต่ฝึกให้จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานธรรมชาติของจิตเนี่ยจะส่งออกไปตลอดเวลาจะเคลื่อนออกไปตลอดเวลาทางตา ทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมันจะแสออกไปตลอดเวลานะเพราะอะไรเพราะมันหิวมันหิวอารมณ์อยากดูรูปมันก็วิ่งไปดูรูปส่งออกไปทางตาอยากได้ยินเสียงมันก็วิ่งออกไปทางหูไปฟังเสียงอยากจะคิดมันก็วิ่งออกไปทางใจไปคิดเนี่ยจิตมันจะสายออกตลอดเวลาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจให้เรามีสติรู้ทันจิตเนี่ยจะแสสายออกทางทวารทั้ง6ตลอดเวลา การที่เราจะมาดูรู้ทันทั้งหกช่องเนี่ยเหนื่อยเกินไปมันมีวิธีการที่ง่ายกว่านั้นรู้มันช่องเดียวนะคือที่ใจรู้ทวารใจอันเดียวไม่ต้องดูทางตาหูจมูกลิ้นกายและตาหูจมูกลิ้นกายให้มันทํางานไปตามปกติตามันเห็นรูปให้มันทํางานไปแต่พอตามองเห็นรูปแล้วจิตเรายินดีขึ้นมารู้ทันจิตเรายินร้ายขึ้นมารู้ทันนะจิตสุขจิตทุกข์ขึ้นมารู้ทันเนี่ยคอยรู้อยู่ที่จิตอันเดียวนี้เองนะถ้าจิตมันเคลื่อนไป หรือไหลไปในความคิดรู้ทันนะจิตไหลไปในความคิดรู้ทันเนียจิตจะเป็นคนดูนะพจิตเป็นคนดูได้นะคราวนี้ถึงขั้นเดินปัญญาล้นะตามองเห็นรูปจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วรู้ทันหูได้ยินเสียงจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วรู้ทันจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกปรุงแต่งนะจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วก็รู้ทัน แต่ตรงที่รู้ได้เนี่ยต้องฝึกก่อนว่าจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้นะจิตเคลื่อนไปทางใจบ่อยที่สุดคือเคลื่อนไปคิดเราะั้นเราฝึกวิธีฝึกเนี่ยทำกรรมฐานอย่างหนึ่งขึ้นมาก่อนนะจะหัดพุทโธก็ได้แต่ไม่ใช่พุทโธให้จิตสงบจะหัดรู้ลมหายใจก็ได้แต่ไม่ใช่รู้ลมหายใจเพื่อให้จิตสงบนะเราพุทโธ ร, รู้ลมหายใจรู้ท้องของยุบอะไรก็ได้นะไม่มีความแตกต่างกันหรอก แต่ว่าไม่ว่าเราจะทํากรรมฐานอะไรสิ่งที่เรารู้คือจิตนะสิ่งที่เรารู้ก็คือจิตพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดเรารู้พุทโธพุทโธจิตไปเพ่งความว่างว่างเรารู้พุทโธหรือเรารู้ลมหายใจนะหายใจเข้าหายใจออกเรื่อยจิตหนีไปคิดเรารู้จิตไปเพ่งลมหายใจเรารู้เวลาดูท้องฟองยุบนะจิตหนีไปคิดเรารู้จิตไปเพ่งอยู่ที่ท้องก็รู้ เวลาเดินจงกรมจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งเท้าอยู่หรือเพ่งร่างกายทั้งร่างกายก็รู้ต้องซ้อมทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งไม่ต้องทําทุกอย่างที่หลวงพ่อพูดนะเลือกดูเอาอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาก่อนทํำหลายอย่างจับจดนะเอาดียากเดี๋ยวก็จะอย่างโน้นเดี๋ยวก็อย่างนี้เปลี่ยนทุกวันนี่ไม่ได้กินหรอกนะทำให้มันเด่นเดี่ยวลงไปสักอย่างหนึ่งจะพุดโธก็พุดโธจะหายใจก็หายใจหรืออย่างมากก็พูดโธก็ไปหายใจไปด้วยนะ พุทเจ้าโทออกอะไรก็ว่าไปอย่าเอาหลายหลอย่างไม่เอาพุทโทด้วยหายใจด้วยพองยุกด้วยนะรู้อิทิยับบทด้อยด้วยประสาทกินดูไม่ทันหรอกนะเอาน้อยๆยาเอาเยอะเอาเยอะเราดูไม่ทันนะจิตจะฟุ้งซ่านเอาน้อยๆนะเช่นหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทรนี่เอาสองอย่างรวมกันนะบางคนก็เอาพุทโทอย่างเดียวบางคนหายใจอย่างเดียวก็ได้บางคนจะดูท้องพองยุกก็ไม่ต้องไปพุทธโทไม่ใช่นะบางคนดูท้องพองยุกใช่ไหม ช่างพองหนอยุบหนอเนี่ยนี่บวกก็ไปเป็นสองอันนะบริกรรมเข้าไปด้วยก็เหมือนกับพุโทโธนั่นแหละจะเอาวันที่สามให้เอาได้สองอันอย่างมากนะถ้าหลายอันขึ้นมานะักประสาทกินเลยดูไม่ทันหรอกเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งหรือสองอย่างที่ประกอบกันได้นะแล้วก็คอยรู้ทันจิต เนะช่นพุทธโธไปหายใจไปจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งอยู่ที่ลมหายใจก็รูนะ้รู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาจิตของเราเคลื่อนที่ได้นะหลวงพ่อจะสอนให้ดูเป็นตัวอย่างนะพวกเราลองดูพระพุทธรูปดูพระพุทธรูปที่นี่มีพระพุทธรูปอยู่องค์หนึ่งลองดูซิว่าพระพุทธรูปนี้นั่งแบบไหนเดี๋ยวจะถามนะ ท่านนั่งแบบไหนขาของท่านนะวางแบบไหนวางซ้อนเรียบๆหรือวางขัดสมัดเพชร น, นะดูให้ดีนิ้วของท่านเนี่ยเท่ากันทั้งสี่นิ้วหรือว่าสั้นๆยาวๆเหมือนนิ้วของเราดูสิสังเกตรพระให้ดีนะเดี๋ยวจะถามสังเกตไหมขณะที่เราดูพระเนี่ยใจเราวิ่งไปอยู่ที่พระนึกออกไหม เวลาเราดูอะไรเอาพอแล้วล่ะนะหลวงพ่อจะให้ดูแค่ว่าเวลาเราไปจดจ่อากับการมองพระพุทธรูปนะจิตเราก็วิ่งไปอยู่ที่พระพุทธรูปถ้าเราไปจดจ่อากับการมองอย่างอื่นนะจิตเราก็วิ่งไปอยู่ที่นั้นวันนี้กลับบ้านไปให้ไปดูทีวีนะให้ไปดูโทรทัศน์ดูวิดีโออะไรก็ได้แล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันวิ่งเข้าไปในโทรทัศนะ์นะวิ่งเข้าไปในจอนะคอรู้ทันจิตที่มันวิ่งไปเงี้ย ไม่นานนะพอจิตเคลื่อนปุ๊บจะเห็นปั๊บทันทีที่รู้ว่าจิตเคลื่อนปุ๊บเห็นปั๊บเนี่ยจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติขึ้นมาเลยนะจิตใจจะตั้งมั่นขึ้นมาจะเป็นคนดูขึ้นมาแล้วเรียกว่าเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานจะเป็นแค่คนดูขึ้นมาเลยงั้นให้คอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนะจิตเคลื่อนไปดูเคลื่อนไปฟังเคลื่อนไปคิดก็ได้หรือจะเอาวันเดียวรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปคิดก็ได้หรือจะเอา2งานรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปคิดกับจิตที่เคลื่อนไปเพ่ง ให้มัน่อยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไหว้ทันทีที่รู้ทันจิตที่เคลื่อนนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นแค่คนดูเมื่อจิตเป็นคนดูได้แล้วคราวนี้ดูละครได้ละพร้อมแล้วที่จะดูละครละครเรื่องนี้ก็คือกายกับใจร่างกายก็แสดงละครยิ้มหวานทุกคนยิ้มซิยิ้มหวานหวานยิ้มให้หวานที่สุดในโลกเลยเหมือนกับถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งยิ้มสิยิ้มยิ้มหวานหวานเห็นร่างกายยิ้มไหมเห็นร่างกายยิม้มเห็นร่างกายพยักหน้าไหมเมื่อกี้เนี่ย เนี่ยแค่เห็นนะยิ้มเห็นไหมยิ้มเราก็รู้สึกใช่ไหมลองทำหน้าบึ้งสิหน้าบึง้งว่าโกรธใครสักนานมาแล้วเกลียดมากลองทำหน้าบึงบ้งๆสิรู้สึกไหมหน้ามันบึงบ้งๆหน้ามันตึงๆขึ้นมาเนี่ยดูแบบเนี้ยนะร่างกายมันเคลื่อนไหวเราก็ค่อยรู้เอานะมันยิ้มก็รู้มันหัวเราะก็รู้นะ มันยืนมันเดินมันนั่งมันนอนมันหายใจออกหายใจเข้าคอยรู้ไปเรื่อยรู้ไปรู้ไปแต่ใจเราเป็นแค่คนดูนะไม่นานหรอกเราก็เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกนะร่างกายเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุที่เคลื่อนไหวไปมานะดูจิตใจก็เหมือนกันขณะนี้จิตใจของเราสุขหรือทุกข์หรือเฉยๆขณะ น, นี้ใครมีจิตใจมีความสุขยกมือซิยกซิสารวจสารวจขณะนี้ใครจิตใจมีความทุกข์ยกมือซิ มีไหมมีหนึ่งคนเงินหายเหรอทุกข์มาก <c oughs> <c oughs> ขนาดนี้ใครใจเฉยเฉยทงเิเนี่ยเราก็คอยรู้เอานะใครรู้เนี่ยเราใจเราเป็นคนดูนะเราเห็นใจแสดงละครตอนนี้แมหมบทมีความสุขตอนนี้บท ม, มีความทุกข์ตอนนี้บทเฉยเฉยเนี่ยเราเป็นแค่คนดูเป็นแค่คนรู้รู้อะไรรู้กายของเราเองรู้ใจของเราเองรู้บ่อยๆ่นะสุดท้ายปัญญามันจะเกิดขึ้นเป็นขั้นขันไป เป็นลำดับไปมันจะเริ่มเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะความโลบความโกรธความหลงหรือความดีทั้งหลายไม่ใช่เราเป็นจิตสิ่งที่จิตไปรู้เข้าการที่จิตวิ่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตก็วิ่งของมันเองไม่ใช่เราวิ่งหรอกนะสุดท้ายมันจะเห็นว่าไม่มีเราการไม่มีเราเนี่ยเป็นจุดที่หนึ่งนะเป็นแลนด์มาร์กตัวแรกเลย ถึงวันหนึ่งภาวนามาเรื่อยนะจะเห็นว่าตัวเราไม่มีตัวนี้ท่านเรียกว่าพระโสดาบันแต่พระโสดาบันยังไม่หมดความยึดถือในกายในใจงานของเราต้องปฏิบัติจนหมดความยึดถือกายยึดถือใจนะปัญหาจึงจะสิน้นเราก็ดูต่อไปอีกนะดูกายเม็นทางานที่เห็นเหมือนคนอื่นทางานเนี่ยดูไปเรื่อยเลยโอ้มันไม่ใช่ตัวเราถึงวันหนึ่งปัญญามันแจ้งขึ้นมาอีก ไอ้ที่ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เราแล้วมันเป็นตัวอะไรมันเป็นตัวทุกข์นะกายนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆเลยหายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์ยืนเดินนั่งนอนก็ทุกข์นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรตั้งอยู่ไม่มีอะไรดับไปในร่างกายนี่เลยมีแต่ท im. ุกข์ล้วนๆเลยถ้าภาวนาจนถึงจุดที่เห็นความจริงเห็นความจริงนะว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆนะจะเริ่มที่กายก่อนเห็นความจริงว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเนี่ยจิตจะสลัดกาย ยังไม่ยึดกายจิตนี้มันอัศจรรย์นะมันเข้าไปยึดโน้นยึดนี่ได้แล้วมันก็ปล่อยได้อย่างคนทั่วไปที่หัดนะจะจิตจะไปยึดอารมณ์ก่อนนะจะเห็นว่าจิตไปจับอารมณ์แล้วจิตก็ปล่อยอารมณ์เดี๋ยวก็จับอารมณ์เดี๋ยวก็ปล่อยอารมณ์นะในห้องนี้ก็มีทําได้หลายคนละที่เห็นจิตเข้าไปจับอารมณ์แล้วก็ปล่อยจับแล้วก็ปล่อยนะต่อไปปัญญามันแก่กล้าขึ้น ตัวที่มันจับอารมณ์แล้วมันปล่อยอารมณ์เนี่ยเพราะมันเห็นว่าการที่มันไปจับอารมณ์นะความทุกข์เกิดขึ้นมันก็ปล่อยต่อไปมันเห็นว่าถ้าจิตมันเข้าไปจับร่างกายไปยึดร่างกายนะความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นจิตจะปล่อยร่างกายไม่ยึดร่างกายนะถึงจุดสุดท้ายของการปฏิบัติเนี่ยมันจะเห็นว่าถ้าจิตเข้าไปยึดจิตนะจะเกิดความทุกข์ขึ้นจิตจะปล่อยวางจิตนี่เรียกว่ารู้ทุกข์นะทุกข์ให้รู้สมุทัย ah จะถูกละอัตโนมัติเลย คอยดูของจริงในกายดูของจริงในใจดูบ่อยๆดูให้มากที่สุดที่จะดูได้นะแต่อย่าถึงขนาดเครียดนะเราดูสบายเราเป็นแค่คนดูร่างกายแสดงละครเราดูนะจิตใจแสดงละครเราก็เป็นแค่คนดูไปด้วยดูไปแรกแรกแก็จะเห็นว่มันแสดงของมันเองมันไม่ใช่เรานี่พระโสดาบันนะเห็นไปเรื่อยๆโอ้ร่างกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตจะปล่อยร่างกายไม่ยึดกายนะ ต่อไปมัจะเห็นว่าจิตเป็นทุกข์ล้วนๆนะถ้าไม่จะปล่อยจิตไม่ยึดจิตถ้าไม่ยึดจิตแล้วจะไม่ยึดอะไรในโลกแล้วสิ่งที่เรายึดเหนียวแน่นที่สุดว่าเป็นตัวเราของเราก็คือจิตของเราเองนี่เองวันใดที่หมดความยึดถือจิตจะไม่ยึดถืออะไรในโลกแล้วจิตนี่แหละเป็นศูนย์กลางของโลกของจักรวาลทั้งหมดเลยเรารู้สึกไหมเราดูโลกออกไปข้างนอกเราก็รู้สึกเราอยู่กลางจักรวาลทั้งหมดเราก็อยู่ในศูนย์กลางนี้แหละแล้วเราเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่าง ถ้าเราเห็นในศูนย์กลางเนี่ยไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเรานะไม่แต่ตัวทุกล้วนๆมันไม่ยึดตัวนี้ตัวเดียวนะมันจะไม่ยึดอะไรในโลกนี้อีกเลยนี่เป็นความอัศจรรย์ของธรรมะนะหัดใหม่ๆแค่ว่าไม่ยึดอารมณ์ได้เป็นคราวๆได้แค่นี้นะตอนที่เป็นพระนาคาจะไม่ยึดกายนะเป็นพระอรหันต์จะไม่ยึดจิตแล้วก็ไม่ยึดอะไรอีกทําไมไม่ยึดเพราะว่าเห็นทุกข์จิตไม่เข้าไปยึดอารมณ์เราเห็นว่ายึดที่ไหเป็นทุกข์ทุกทีต่อไปจิตไม่ยึดอารมณ์นะ จิตไม่ยึดรูปยึดเสียงยึดกลิ่นยึดรสอะไรถนะ้าไปจิตมันเห็นว่าถ้าไปยึดร่างกายเป็นทุกขนะ์ทีแรกแค่เห็นของข้างนอกนะเห็นว่าถ้าไปยึดรูปเสียงกลิ่นรสปวดทับพระอะไรเนี่ยเป็นทุกขนะ์ต่อมาปัญญาแก่กล้าขึ้นเห็นว่าถ้ายึดในตาหูจมูกลิ้นกายเปนะ็นทุกข์ก็จะปล่อยตาหูจมูกลิ้นกายจะได้ภูมิธรรมพระนาคา แล้วต่อไปเห็นว่าใจที่เหลืออยู่เนี่ยเป็นตัวทุกข์จะปล่อยใจออกเนเป็นสิ้นสุดการปฏิบัติกันตรงที่ปล่อยจิตได้นี่เองนะอศัศจรรย์มากเลยนะครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้หลวงพ่อฟังนะตอนที่จิตมันหลุดออกมาเป็นอิสระนะบางองค์มีมีสาวเอฟเฟกมีอะไรมากมายเลยนะโลกกระเทือนเลื่อนลั่นฟ้าผ่าแผ่นดินไหวอะไรนี่ย เอวดาสาทุกการเนาะแต่ละองค์ก็เล่ามันมากเลยบางองค์ก็หลุดไปเลยไม่ทันรู้เรื่องอะไรเลยหลุดไปเลยก็มีมีหลายแบบนะรวมกัาก็คือจิตมันไม่ไปยึดอะไรแล้วละเพราะมันเห็นแล้วว่าทุกสิ่งนั้นนาไปตัวทุกงั้นในอริยสัจสี่นะบอกเริ่มต้นด้วยตัวทุกขคือกายกับใจนี่ตัวทุกหน้าที่ต่อทุกคือรู้อย่างที่มันเป็นนะถ้ารู้ไปด้วยเหมือนเราดูละคร เมื่อรู้ทุกข์เมื่อไหร่ก็จะละสมุไทยเมื่อนั้นละความอยากจะหมดความอยากเมื่อหมดความอยากเมื่อไหร่ก็จะแจ้งนิโรธรือเห็นพระนิพพานเมื่อนั้นนะนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อไม่เคยหายไปไหนเลยนะตรงที่รู้ทุกข์ละสมุไทยแจ้งนิโรธหรือแจ้งนิพพานขนาดนั้นคือขนาดแห่งอริยมรรคเนีงั้นทุกขสมุไทยนิโรธมรรคการรู้ทุกขการละสมุไทยการแจ้งนิโรธการเกิดอริยมรรคเจริญมรรคเนี่ยเกิดขึ้นพร้อมๆกัน เกิดขึ้นพร้อมๆกันในขณะจิตเดียวกันเลยขณะจิตที่รู้ทุกขณะจิตนั้นแหละละสมุไทยแจ้งนิโรธเกิดอริยมรรคขึ้นนะนี่เป็นความอัศจรรย์มากเลยนะที่พระพุทธเจ้าคนพบมาแตกของเราถ้ารู้ทุกก็ต้องรู้ไปใช่ไหมแล้ววันหนึ่งค่อยเป็นละสมุไทยอะไรเงี้ยละสมุไทยแล้วเมื่อไหร่จะเห็นนิพพานสทีอะไรเนี่นยแยกเป็นส่วนๆจริงเห็นในขณะจิตเดียวกันเลยเนี่ยความอัศจรรย์ของธรรมะนะ ภานากันแทบเป็นแทบตายสุดท้ายก็แค่แจ้งว่าทุกสิ่งทุกอย่างรูปธรปรมนามธรรมนะทุกสิ่งทุกอย่างทั้ง3มโลกาธาตุนี้มีแต่ทุกข์ล้นล้นเลยเมื่อมาเห็นอย่างนั้นแล้วจิตจะไม่เข้าไปยึดถืออะไรอีกไม่จิตไม่เข้าไปยึดถือจิตไม่มีความอยากเลยนะมันไม่ถือว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเราของเราแล้วความอยากให้กายให้ใจเป็นสุขความอยากให้กายให้ใจเป็นทุกข์ไม่มีอีกเลย นั้นละทีเดียวขาดหมดไม่ต้องละอีกไม่ใช่ละแล้วละอีกละร า, ายวันรายชั่วโมงรายนาทีไม่ใช่แต่เบื้องต้นก็ละกันเป็นขณะดขนาไปก่อนนะจนวันหนึ่งมันแจ้งจริงว่าพ้นไปเลยยากไปไหมยากก็ไม่เป็นไรฟังเที่ยวเดียวไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรนะหลวงพ่อคิดว่าเขาคงอักเทปไว้อนะแล้วไปฟังเอาเขากันฟังแล้วฟังอีกนะธรรมะอย่างนี้ไม่มีใครสอนกันหรอกนะ ม, มีครูบาอาจารย์ที่ไหนสอนหรอกเป็นธรรมะที่เรียกว่าธรรมะเปลืองตัวสอนแล้วเข้าตัวนะเดี๋ยวเขาถามท่านรู้ได้ยังไงนะหาว่าอวดอุตรีสิ่งเขาบอกท่านมาถามหลวงพ่อรู้ได้ไงเพร่ะชั้นก็มีครูบาอาจารย์สอนชั้นมาเนี่ยว่านะอ อ, อย่างนี้ไม่อวดอุตรีแล้วเนาะ <c oughs> บอกไว้ก่อนกันไว้ก่อน <c oughs> สอนธรรมะนะยากยากเลยสอนรูปลูกคลำๆแล้วง่ายนะสอนเอาจริงเอาจังเพื่อความพ้นทุกข์นะี่ยากมากเลย ฝากคมหอบคมดาบเลยนะเพราะมารนี่ไม่ยอมปล่อยให้เราพ้นทุกข์ง่ายๆเราหวางังพอไหวไหมยากวันนี้สอนยากที่สุดเลยเพราะกายจะทิ้งทวนนะทิ้งไว้ให้นะเพราะเราจะได้ศึกษารูปคลำไปบางคนอาจจะยี่สิบปีข้างหน้าเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกนี้ก็ได้ บางคนอีกยี่สิบชาติจะเข้าใจก็ยังดียี่สิบชาติสั้นนิดเดียวนะสั้นนิดเดียวถ้าเราเระลึกย้อนไปได้เรารู้เลยเราเวียนว่ายตายเกิดนั้นหนักหนาสาหัสนซ้ำแล้วซ้าอีกเกิดทีใดก็เป็นทุกทุกทีไม่มีอะไรเลยเรารักยังเกิดมาเรารักร่างกายนะปฏิบัติดูแลมันอย่างดีเลยถึงวันมันทรยศเรานะ มันแก่มันเจ็บแล้วมันตายทิ้งเราไปอีกเราก็โอ้ดูแลมันแทบตายมันก็หักหลังเราอีกยิ่งภรรยาสามีาอีนะเรารักตัวเองมากกว่ารักสามีภรรยานะปรกบประงมมันมากเลยสุดท้ายมันทรยศหนีเราไปเฉยๆมีแต่ทุกข์ครั้งนั้นเลยถ้าเขาอัดไว้นะพวกเรา ให้วันหลังก็มาขอเข้าไปนะอาจจะไปดาวนโหลดที่ไหนสักที่หนึ่งนงี้จะได้เอาไปฟังซ้ำธรรมะอย่างนี้ไม่มีใครเขาสอนกันหรอกนะ ม, นมันประนีตถ้าเราเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกแนละ้วเราจะพ้นทุกเราจะไม่ไม่ทุกอีกต่อไปแล้วนะความทุกข์เนี่ยเข้าถึงได้ร่างกายเท่านั้นนะจะไม่เข้าถึงจิตอีกต่อไปแล้ว จะไม่มีอะไรปนเปื้อนเข้าถึงจิตได้อีกจิตจะสว่างแจม่มใสเบิกบานนะจิตของเรายังมีความทุกข์ปนจิตที่ปฏิบัติ ด, ดีแล้วสมควรแก่ทำแล้วนะมีแต่ความสุขกับอุเบกเบาเขาอุเบกขาก็เป็นความสุขอีกชนิดหนึ่งสุขที่ประนีตวความเรเหลือแต่ความสุขล้นล้นท่านะถึงบอกว่านี่พานังประมังสุขขังนะฝึกเอานะ ชั่วโมงหนึ่งพอดีเทศยาวเลยวันนี้ธรรมดาเทศสี่สิบห้านาทีมันกลไปเทศแอตแลนต้าวัดพระมหาชนกนะเทศเข้าไปได้ชั่วโมงครึ่งกลาว่าเทศให้เขาฟังวันเดียวนะเทศเทศวันเดียววันพุธไม่มีเวลาแล้วเขาขอเพิ่มเข้ามาแซกให้รับพร น, นะรับซะหน่อยดูเหมือนเขาวัด ยะถาวาริวหาปุราปริภุเรนตีสาครังเอวาเมีวาอีโตทินังเปตานังอุปกปติอิติตังปฏิตังทุมหังคิปเมวะสมิจโตุสเพภูเรนตูสังกปาจันโทปนรโสยถามณีโชติรโสยะถาสพีติโวิวัชชนตุสภโรโควินัสตุ มาเตภวัตวันตราโยสุขีที่คาโยโกภาวะอภิวาธนาสีลลสนิจังวุธาปจายโนจตารโรธรรมาวันตีอายุวันโนสุ ข, ขังพระลัง<า>ตั้งใจไว้นะตั้งใจไว้ทุกวันนะคอยนึกถึงเรื่อยๆรนะือชีวิตเราสั้นนะชีวิตเราสั้นความทุกข์จะมาถึงตัวเราเมื่อไร่ไม่รู้ เราต้องไม่ประมาทภาวนาให้เยอะไว้ภาวนาตื่นนอนมาก็คอยรู้สึกกายรู้สึกใจนะดูกายดูใจทำงานไปมีเวลาทำในรูปแบบทำได้ทุกวันจะดีที่สุดสิบนาทีสิบห้านาทีอะไรทำไปนะจะทำให้เราได้พลังงั้นใจป้าแป้ไม่มีแรงสู้เอานะเนี่ยนิสัยครูนะเป็นห่วงลูกศิษย์อ่ะกลัวมันไม่ทำสู้เอาสู้เอานะ